พระสูตรในศาสนประทานทั้งหมด16สูตรในชุดแรก16สูตรเราเรียนไปสสูตรแล้วนะสูตรที่หนึ่งสังกิเลสะภาคยะสูตรสูตรที่สองวาสนาภาคยะสูตรสูตรที่สนิเพทภาคยาสูตรสูตรที่สอเสขาภาคยะสูตรภาคยะนี้แปลว่าส่วนสูตรก็คือสูตรนะสูตรที่อยู่ในส่วนของความเศร้ามอง นะหรือว่าสูตรว่าด้วยส่วนแห่งความเศร้าหมองสูตรว่าด้วยส่วนแห่งความเป็นบุญเป็นกุศลสูตรว่าด้วยการชํำระ ก, กิเลสแล้วก็สูตรว่าด้วยคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเรีทว่าอาเสขะภาคียสูตรในเนติปกรณ์ข้อ106หน้า185มาขึ้นธรรมะคู่กันละคือสังกิเลสและวาสนา ในสูตรทั้ง16สูตรเหล่านั้นสังกิเลตและวาสนาสูตรเป็นไนพระพุทธเจ้าตรัสในคำพีอุทานว่าฝนคือกิเลสย่อมตกรดบุคคลผู้ปกปิดความชั่วเอาไว้ย่อมไม่ตกรดบุคคลผู้เปิดเผยเพราะฉะนั้นพึงเปิดเผยอาบัติที่ปิดฝนคือกิเลสย่อมไม่ตกรถบุคคลนั้นด้วยการเปิดอย่างนี้แล ในสูตรนี้กล่าวถึงพระวินัยนั้นเนี่ยนะพระวินัยของพระพิโสถ้าพระพิโสเป็นอาบัติหนึ่งตัวถ้าเก็บค้างคาเอาไว้ไม่แสดงพันจะตื่นเช้ามาจะบวกอีกหนึ่งสมมุติถ้าวันนี้เราเป็นเนี่ยนะสมมติว่าวันนี้เกิดเช่นเผลอเข้าน้นําปานะที่ไม่กรองอะไรเลยมาให้ฉันแล้วก็ฉันก็ถือว่าเท่ากับฉันข้าวเย็นในถ้า ภายในก่อนสว่างถ้าไม่ปรงอบัตเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็เป็นบวกอีกตัวหนึ่งนะถ้าไม่ปรงเองมันจะเริ่มบวกมันจะบวกมีแต่บวกเพิ่มเหมือนดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียบเปิดเผยเรียกว่าแสดงคืนนะก็คือบอกก็ไปแสดงคืนบอกกับพระภิกษุด้วยกันว่าผมเนี่ยต้องอบัตชื่อนี้นะผมขอแสดงคืนอบัตนั้นคืนแกท่านผู้รับก็กระทำมาท่านเห็นอบัตนั้นใช่ไหยบอกเห็น ก็เห็นแล้วก็ขอให้สํารวมต่อไปดีแล้วครับผมจะสํารวมต่อไปในการทําอย่างนี้เขาเรียกว่าแสดงอาบัตแสดงอาบัติก็เท่ากับคล้ายไปบอกพระนะว่าผมเนี่ยไปเป็นอาบัติชื่อนี้นะอาจจะบอกเชื่ออาบัตก็ได้หรือบอกว่าไปทําอะไรมาก็ได้ผมไม่ต้องอาบัตชื่อนี้ทมันผมขอแสดงคืนอาบัตนั้นคืนแก่ท่านคล้ายๆกับว่าในพระาศาสนาตามทําความผิดจะได้รับการจะเปิดเผยนะถ้าทําความผิด เป็นอบัตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามหมายว่าอาบัติของพระพิสุท์นี่มีอยู่เจ็ดกองปราชิกสังฆาติเศษทุระใจปัจจิตีปฏิเทศนิยะทุกกฎทุกพัสสิทธิ์ถ้าปราชิกก็อาจไปเป็นเนนซาลดไปเป็นเนนหรือว่าสึกไปเป็นคารวาตถ้าถ้าเปิดเผยตัวเองอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นเครื่องกัน้นถือว่าไม่มีโทษถ้าถ้าหมายว่าถ้าเป็นปราชิกก็สึกไปเป็นคารวาตซะหรือไม่ก็ลดตัวไปเป็นสมมาเนน ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นเครื่องห้ามอะไรสามารถบรรลุได้สมัยพุทธกาลมีพระภิโสประมาณ60สรูปที่เป็นปราชิกฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็อากเลือดเลยพอท่านหลังจากกระอากเลือดแล้วท่านก็พักฟืน้นท่านก็ลดตัวมาเป็นสนัมมณีปฏิบัติ60สรูปเหล่านั้นเป็นพระอนาคามีหมดนะนะก่การเป็นปราชิกเมื่อเป็นไปแล้วถ้าหากว่ามันนเพราะมันเป็นไปแล้วไปทําอะไรได้ มันก็ทําคืนซะอันนี้นี้ถ้าเป็นอาบัตอีกอันหนึ่งเรียกว่าสังขาธิเศษสังขารทิเศษแปลว่าอาบัตที่ต้องทําคืนในคณะสงฆ์ถ้าปกปิดไว้เท่าไหร่เช่นเป็นอาบัตแล้วปกปิดไว้หนึ่งวันจะต้องอยู่ปริวาสหนึ่งวันหรือว่าปกปิดสิบวันก็อยู่ปริวาสสิบวันเพราะการขอปริวาสก็ต้องสงให้เมื่ออยู่ปริวาสเสร็จก็ไปขอมานัดสงก็ให้เมื่อครบอยู่ปริวาสครบหวันเสร็จก็ เรียกว่าออกจากอบัตออกจากอบัตก็คือเรียกอับพาลอับพาลก็คือการออกจากอบัตสังขาธิเสีก็ใช้พระพิสูจน์่สิรูปขึ้นก็จะมีการทําคืนอบัตถ้าทําคืนอย่างนี้ก็ถือว่าเปิดเผยแต่ถ้าไม่ทําคืนก็เรียกว่าทุกศีลศีลไม่ดีในถ้าอบัตล่างกว่านั้นเช่นอบัตทุลใจอบัตปัจจิตีปัจจเทศนยะทุกกฎทุกภาสิทธ์อบัตล่างกว่านั้นมาก็แสดงคืน แสดงคืนอบัตบางอย่างที่ต้องสละก็ต้องสละคือเช่นของบางอย่างต้องสละก็สละไปอบัตบางอย่างก็แสดงคืนว่าผมต้องอบัตชื่อนี้ผมขอแสดงคืนอบัตนี้แก่ท่านพระพิสุอีกรูปหนึ่งก็จะรับว่าท่านเห็นอบัตนั้นใช่ไหมแบบคราบเห็นถ้าเห็นแล้วขอให้ท่านสำรวมระวังต่อไปครับผมจะสำรวมระวังด้วยดีต่อไปอันนี้ก็เรยียกว่าการแสดงคืนอบัตลว ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นเครื่องกันนั้นพระองค์บอกว่าฝนคือกิเลสย่อมตกรสบุคคลผู้ปกปิดความชั่วคือเป็นอบัตนั้นอบัตเนี้เมื่อเป็นแล้วก็แสดงคืนถ้าแสดงคืนแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างบอกว่าไงฝนคือกิเลสย่อมตกรสบุคคลผู้ปกปิดความชั่วเอาไว้คือปกปิดอบัตเนี่ยนะอันนี้เป็นความเศร้าหมองถ้าเป็นอบัตแล้วตั้งใจปกปิดนี่ถือว่าเป็นความเศร้าหมองบุฝนคืออบัต ฝนคือกิเลสไม่ตกรถบุคคลผู้เปิดเผยอันนี้เป็นบุญมันเมื่อเป็นอบัตถถ้าตั้งใจปกปิดนี่ถือว่ามีโทษแต่ถ้าเป็นแล้วก็ตั้งใจจะทําคืนคือเปิดเผยซะอันนี้เป็นบุญนะเป็นวาสนาไม่ใช่ว่าเป็นแล้วก็โห o กลบไว้กลบไว้กลบไวไ้การกลบไวนะ้นั้นไม่ดีแต่ถ้าเป็นแล้วก็ทําคืนนะเป็นทีหนึ่งกร็รู้แล้วก็ทําคืนเพราะคําว่าอาลัชีแปลว่าผู้ไม่มีฮิริโอตปะนะผู้ไม่มีความละอายคือผู้ที่ เป็นแล้วก็ไม่ยอมทําคืนหมายถึงว่ารู้ว่าจะเป็นแล้วก็คืนทําเมื่อเป็นแล้วก็ไม่ยอมทําคืนอันนี้เรียกว่าอลัชชีก็มีโทษเป็นความเศร้าหมองเป็นสังกิเลตเป็นทุติจฤตแต่ถ้าหากว่าเป็นแล้วก็ทําคืนเอามันพลาดไปแล้วทําไงได้มันก็เหมือนกับเราเดินเหยียบน้ําไปแล้วทําไงก็บ่งซะถ้าบ่งเสร็จแล้วก็ดูแล ร, รักษาไปแต่ถ้าถามว่าต้องการจะเดินไปเหยียบอีกไหมไม่ ก็เหมือนกัเดินเหยียบเศษแก้วอะนะถ้าเดินเหยียบไปแล้วทําไงก็รักษาแผลไปทําอะไรไม่ใช่เป็นแล้วไปเหยียบซ้ําอีกนะเป็นหนากว่าเก่าก็ไม่ใช่ถ้าเป็นแล้วก็ยังเหยียบซ้ำซ้ำซ้ำซักๆนอะันนั้กกกกกนก็ถือว่าเสียหายแผลก็มีแต่ลูกลามถ้าไปเหยียบเศษเหล็กเป็นต้นด้วยก็บาดทะยักเป็นต้นนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าถ้ามันพลาดไปแล้วทําไงก็ดูแลรักษาไปแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอเป็นแล้วก็ไม่ยอมรักษาฉันใด ผู้ที่ไม่ยอมราาักษาอันนั้นแหละเป็นสังกิเลสเป็นความเศร้ามองส่วนผู้ที่เปิดเผยเมื่อผิดแล้วก็ผิดก็เปิดเผยซะก็เป็นวาสนาไปมีพระรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าพระสายส ก, กะเนี่ยนะพระสายส ก, กะนั้นท่านได้อาจารย์ไม่ดีอาจารย์ก็สอนให้เป็นอาบัตินะบอกว่าเออทำอย่างนี้สมควรหรือครับอาจารย์ก็บอกเอ้ยเป็นไรไปผมก็ทาอย่างนี้แหละ ลูกศิษย์ก็เอาบ้างตอนหลังก็คาบทราบข่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตำหนินะแล้วพระองค์ก็บอกว่าบา ป, ปรกรรมเนี่ยถ้าทําแล้วควรทําแค่ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าพลาดไปแล้วทําไงได้ก็ควรทําแค่ครั้งเดียวแต่อย่าปล่อยให้บาปนั้นเป็นซ้ําๆำซักๆากเห็นไะคือไม่ใช่ว่าพลาดไม่ได้แต่ถ้าพลาดแล้วก็อย่าพลาดซ้ําอีกก็เนหะมือนกับเดินหกล้มขับรถประสบอุบัติเหตุมันอุบัติเหตุไปแล้วไปทําอะไรได้ ใช่ไหมก็เรียกประกันแค่นั้นแหละแต่ที่นี้หมายความว่าถ้าครั้งหลังอีกเอาคืนเอาอีกไหมทําอีกไหมก็ไม่ดีชั้นใดการเป็นอบัตก็เหมือนการพองบอกว่าอย่าเป็นซ้ํซ้ซากๆไม่ดีในที่สุดพระรูปนี้ท่านก็ทําคืนอบัตเหล่านั้นปฏิบัติธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระสยัสกะก็เป็นพระอรหันต์แต่ก็กรณีที่ท่านพลาดก็ไม่เล็กเท่าไหร่แต่ท่านก็สามารถชําระคืนแล้วก็ปฏิบัติบรรลุมรรคผลได้ พันการผิดพลาดนั้นทางศาสนาเราไม่ได้ถือว่าเป็นความพลาดไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวตำหนิว่ามันเลวร้ายมากถึงขนาดแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นสำคัญที่ว่าพลาดแล้วแก้ไหมเนี่ยนะหมายว่าล้มแล้วจะลุกไหมสำคัญอยู่ตรงนั้นมากกว่าถ้าพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะเปิดเผยพร้อมที่จะทำคืนก็อันนั้นเป็นความเจริญเป็นบุญเป็นวาสนาพการเปิดเผยความชั่วที่มีอยู่อันนี้เป็นบุญเป็นวาสนา แต่ถ้าคืนปกปิดไว้อะไรเกิดขึ้นในพระไตรปิฎกมีเรื่องเอรักเอรักกัปตะนาคราชในคาถาธรรมบทกล่าวถึงว่าพระรูปนี้ท่านท่านถอนถอนต้นไม้นะท่านถอนต้นไม้ถอนต้นไม้นี่ถือว่ามีความผิดเมื่อมีความผิดอย่างเนี้ยท่านก็บอกเออมันเล็กน้อยช่างมันไอช่างมันอันนี้นี่แหละก่อนจะตายเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่ท่านถอนเนี่ยมาพันคออยู่ ท่านบอกท่านจะทําคืนระหว่างนั้นจะรอพระพิโสโรูปอื่นจะแสดงอาบัติคืนไม่มีใครผ่านมาก็ตายตายทั้งที่มีอาบัติคาใจตกเกิดเป็นนาคราชก็เกิดเป็นหน้าท่านก็เสียายอุตสาบวดมาตั้งสองหมืนปีมาเกิดเป็นตระกูลกินเขียดไม่ได้เรื่องอะไรเสียใจมากมันทาอะไรได้มันพลาดไปแล้วอะ่ะเพราะว่าไม่ยอมทําคืนก่อนแต่ถ้าทําคืนก่อนก็ไม่ได้เป็นเครื่องกั้นเครื่องห้ามอะไรอย่างในดีกาพระวินยัยกล่าวว่า คติสองของผู้มีอบัตติดตัวก็คือนรกกับเตรชน <c oughs> แต่ถ้าเปิดเผยถ้ารู้ว่าผิดพลาดก็เปิดเผยก็เป็นบุญเป็นมารนาแต่ถ้าอย่างในสมัยใหม่เนี่ยนะพระพิสูจน์ที่เป็นอบัตต์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสงสิมไม่เป็นก็คารวานะนั่นแหละไม่เป็นไาหรอกท่านไม่เป็นไายหรอกท่า น, นาก็โ <c oughs> <c oughs> ย, ยงกันไปช่วยกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็ตกนรกกันหมดแนะ่ล <c oughs> นการ ตกการทำคืนการทำคืนนี่เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบุญเป็นกุศลทำคืนเธ อ, เอนะคำว่าตัสมาชันนังวิวเรทะเอวังตังนาติวสติเพราะฉะนั้นเพึงเปิดเผยสิ่งที่ปิดฝนคือกิเลสย่อมไม่ตกรถบุคคล น, นั้นด้วยการเปิดอย่างนี้อันนี้เป็นทั้งสังกิเลสและวาสนาคือสูตรนี้เนี่ยผู้ถอดที่สามัญทัศเนี่ยนะ ฝนคือกิเลสย่อมตกรดบุคคลผู้ปกปิดความชั่วเอาไว้อันนี้เป็นกิเลสเป็นความเศร้ามองเป็นความเสียหายแต่ฝนย่อมไม่ตกรดบุคคลผู้เปิดเผยเพราะฉะนั้นพึงเปิดสิ่งที่ปิดฝนคือกิเลสย่อมไม่ตกรดบุคคลนั้นด้วยการเปิดอย่างนี้อันนี้เป็นวาสนาในคาถาสองบรรทัดแสดงทั้งความเศร้ามองและบุญวาสนาถ้าเธอทําอย่างนี้เป็นบาปนะถ้ามาแก้อย่างนี้เป็นบุญคือเมื่อเหมือนว่ามันมีความผิดมาแล้วะทําอะไร ก็มีอยู่สองอย่างว่าจะเลือกเดินสายผิดหรือเดินสายถูกถ้าเลือกเดินสายผิดที่เรียกว่าความเศร้าหมองก็ปกปิดต่อไปเป็นแผลเป็นฝีเป็นห น, นองก็ปกปิดเอาไว้หาอะไรมาปิดหมกหมกเอาไว้เดี๋ยวก็เน่าหมดตัวนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นบาปเป็นอกุศลผิดพลาดทางกายวาจาไปแล้วก็ทาคืนอย่างพระพิสูจนเนี่ยนะพูดล้อเล่นไม่ได้พูดล้อเล่นนี่เป็นอบัตเช่นนันแหละโอ้ยสูงอยากก่างกรเสาไฟฟ้าเง พร้อมยังกับไม้เสียบอะไรสักอย่างก็คือล้อเลียนไปด้ว่อยนะเขาเหมือนอะไรพูดกระทบผิวกระทบโคดกระทบชื่อกระทบนามสกุลกระทบหน้าตารูปร่างกระทบอวัยวะสรีระพูดล้อเลียนพวกนี้เป็นอบัตทั้งนั้นเลยอบัตเราเรียกว่าทุพพาสิทธพูดเร็วโดยสับแปลว่าทุ่นะทุพพาสิตภาสิทธก็คำพูดคําพูดที่ไม่ดีใช่ไม่ได้ไม่ควรพูดถ้าพูดออกไปเนี่ยนะไปล้อเลียนล้อเล่นอย่างนี้ก็เป็นอบัตเนี้ถ้าเป็นแล้วทำไงก็ต้องทําคืน แต่ถ้าไม่ยอมทําคืนเนี่ยนะเรียนแล้วเรียนเล่าล้อแล้วล้อเล่ า, ล า, ล า, ลาอยู่นั่นแหละก็เป็นมิจฉาวาจามิจฉาวาจาเหล่านั้นสั่งสมแล้วไปไหนไปล้อคนอื่นว่าอย่างไรก็จะสมพรปากเอาไปล้อเขาว่าพร้อมก็หองนะแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะตัวเองก็ได้เป็นอย่างนั้นทัา น, นไปล้อเรียนบุคคลอื่นเช่นใดในที่สุดก็จะเป็นเช่นนั้นนั้นวาจานี่สําคัญกายวาจานั้นจึงเป็นศีลแต่ถ้าเราเอ่อเพลอไปแล้วพูดไปแล้วก็ทําคืน นะทางพระพิสูจน์ก็ขอทําคืนถ้าเป็นทางคารวะก็ขอโทษขออภัยนะ ท, ที่พูดในเรื่องที่ไม่สมควรพูดนันการล่วงเกินกันนี่มันมีโทษนะล่วงทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามมันมีโทษถ้าเรารู้ว่ามีโทษเราก็ทําคืนแต่ถ้าเราปกปิดหมกเม็ดเอาไว้นั้นก็เป็นความเศร้าหมองแต่ถ้าเราทําคืนก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีอีกสโซดหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาปีต บุคคลสี่ประเภทเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทเป็นไนบุคคลสี่ประเภทเหล่านี้คือบุคคลผู้มืดมาแล้วก็มืดไปบุคคลที่หนึ่งะที่สองบุคคลผู้มืดมาแล้วก็สว่างไปบุคคลที่สามผู้สว่างมาแล้วก็มืดไปบุคคลที่สี่บุคคลผู้สว่างมาแล้วก็สว่างไปในบุคคลสี่ประเภทเหล่านั้น บุคคลสองประเภทคือผู้สว่งางผู้สว่างมามืดไปและผู้มืดมาแล้วมืดไปอันนี้เป็นไปในส่วนแห่งสังกิเลสคือความเศร้าหมองส่วนบุคคลสองประเภทคือบุคคลผู้มืดมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปพวกนี้ก็เป็นประเภทวาสนาเป็นบุญเป็นกุศลคำว่ามืดมาหมายคำว่าเกิดมาก็ตระกูลต่ำรูปชั่วตัวดำผิวพันก็สาม โรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็เบียดเบียนเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนหาไม่พอจะกินต้องเกิดในตระกูลที่เลวร้ายประกอบอาชีพที่ตกต่ำอาการที่เป็นแบบนี้เรียกว่ามืดมาทีนี้ถ้ายังอนุรักษ์นิยมต่อไปทำตัวเรียนแบบทุกอย่างานะประกอบแต่ความชั่วทางกายวาจาและใจมืดมาก็ยังไม่พอก็ยังมืดต่อไป สํา น, นวนว่าเกิดมาพิการแล้วไม่พอขี้เมาติดต่างหากนีก็มืดมาแล้วก็มืดไปค้า่ะแบบเนี้นะหรือว่าพอเกิดมาแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ทําชั่วอีกต่อไปนะติดยาเสพติดหนักกว่เก่าเป็นต้นหรือว่าลักขโมยกว่าปานนั้นเกิดมากกวจนจนแล้วขี้ขโมยอีกต่างหากจะไปไหนล่ะนะก็กลับไปสู่อะไรนะเวียนไปสู่ที่เก่านะนะั่นแหละไปแต่จนก็จนอยู่แล้วยังขี้ขโมยอีกเนี่ยนะขี้คดขี้โกงอีกนะแล้วก็โมสาวาดอีกนะ ในที่สุดก็ถูกเกิดมาก็ถูกแต่ดาชาตินี้ก็ขนาดนี้และชาติต่อๆไปจะเป็นอย่างไรเนาะบุคคลเหล่านี้เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปวันนี้ก็เป็นความเศร้าหมองบางคนก็สว่างมาเกิดมาก็มีสมบูรณ์พูนศักดพูนสุขทุกอย่างปัจจัยสี่เพียบพร้อมหมดเลยตระกูลก็สูงเป็นต้นแต่ขี้เหล้าเมายาขี้โคตร ข, ข, ขี้โกงบานาธิบา ต, บาตเป็นนักฆ่าล่ากาเมีเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพวกนี้ก็อนาคตมืดไปแน่ บุคคลผู้นี้ก็สว่างมาแต่ก็มืดไปวันนี้ก็เป็นความเศร้าหมองส่วนบุคคลผู้มืดมาเกิดมาก็ตระกูลต่ำเป็นต้นผิวพรรณก็ไม่ดีสุขภาพเป็นต้นก็ไม่ดีอดอยากยากจนแต่ก็ตั้งมั่นในคุณงามความดีประพฤติอยู่ในบุญกุศลเป็นต้นบุคคลเหล่านี้ก็เรียกว่ามืดมาก็สว่างไปส่วนบุคคลผู้เกิดมาในตระกูลดีผิวดี ปัจใจสี่หาไม่ยากอยู่ด้วยความผาสุกเป็นต้นขณะเดียวกันก็มาประพฤติธรรมบุคคลนี้ก็เรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปเฉะั้นพวกพวกเศร้าหมองมีอยู่สองพวกคือมืดมาหรือสว่างมาก็ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าไอจะไปนี่สิจะมืดไปหรือจะสว่างไปถ้ามืดต่อไปก็เป็นพวกสังกิเลสถ้าสว่างต่อไปก็เป็นวาสนาคนอื่นไม่รู้นะของมาก็นึกในใจว่าช่างมันเถอะมันจะมืดมาสว่างมาก็ช่างมัน แต่ปัญหาว่าเราจะขอสว่างไปก็แล้วกันกลัวจะมืดไปเนี่ยนะพยายามไปไหนก็ไปจุดเทียนบูชาพระเจดีท่านหน่อยนะเพื่อสว่างสว่างบ้างจะแปอนุรักษ์นิยมอะไรเลยอย่างจะถาวร อ, อีกสูตรหนึ่งสูตรต่อไปนะเมื่อกี้วา ส, สังกิเลกับวาสนาเศร้าหมองและอครับพูดถึงบุญและบาปดีและชั่วเออชั่วและดีนี่มาพูดถึง ความเศร้ามองและนิเพทะหมายว่าพูดถึงความเศร้ามองและก็ส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลสว่านักปราดทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องผูกที่ทําด้วยเหล็กทําด้วยไม้และทําด้วยญ้าว่าเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงแต่กล่าวความกําหนัดยินดีในเครื่องประดับแก้วมณีความอะไรในบุตรและพระยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงอันนี้เป็นความเศร้ามอง ท่านบอกว่าไอ้การเข้าคุกเข้าตารางถูกล่ามด้วยโซ่ด้วยตรวนเป็นต้นโอ้ยเครื่องจองจําเหล่านั้นเล็กน้อยไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าไอ้ความชอบใจในเครื่องประดับนี่สิติดใจในเครื่องประดับเช่นแก้วมณีเป็นต้นก็พวกแหวนพวกตุ้มหูพวกเครื่องประดับเข้าของเครื่องใช้หรือว่าคนที่อาลัยในบุตรอาลัยในภรยาเป็นต้นพวกนี้เรียกว่าโซ่ตรวนที่แน่นมากผูกหย่นหย่อ น, อนแต่ว่าแก้ได้ยาก แกยากมากไม่เชื่อไปชวนบวชดูที่มีเหตุผลอนธะิบายได้หมดอะบวชไม่ได้ลูกยังไม่โตบ้างอย่งง า, างงั้นบ้างอย่างนี้บ้างอ้างไปเรื่อยมันเรียกว่าหลุดยากเป็นเครื่องจองจําที่หลุดยาก ม, มันมัดหย่อนหย่อนให้ไปได้ไกลแต่ก็กระตุกทีก็กลับเลยโทรศัพท์ติ้งเดียวนี้ก็กลับละส่วนนิเพทภาคิยะบอกว่านักปราดทั้งหลายกล่าวเครื่องผูกที่มีความกําหนัดยินดีในเครื่องประดับ มีแก้วมณีหรือความอาลัยในบุตรพระยาเป็นต้นเนี่ยนะที่มักเหนียวลงต่ำหย่อนๆย่อนแต่ว่าแก้ได้ยากท่านบอกว่านี่แหละเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงบัณฑิตตัดเครื่องจองจำเช่นนั้นแล้วละการมาสุขเสียได้เป็นผู้ไม่มีความอาลัยย่อมหลีกไปหรือว่าย่อมหลุดพ้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นนิเพทพรพิยาว่าสามารถที่จะตัดอาลัยตัดความเยื่อใยตัดในการมมาสุข เหล่านั้นออกไปได้คือการมาสุขทั้งหลายเนี่ยนะไอ้ช่วงที่อย่างที่กล่าวว่าช่วงใดมีความสุขประสบแต่ความสุขช่วงนั้นก็เต็มไปด้วยตันหาชุ่มไปด้วยตันหาพอตันหามันเหือดแห้งก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทีนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ก็มากไปด้วยอวิชชาพันอวิชชากับตันหาก็เลยสลับคร่าครากันไปก็เพิ่มแต่เหตุสร้างแต่เหตุแห่งสังสารวัฏอยู่ตลอดเวลาพันเวลาที่ประสบความสุขก็ มีแต่ความสุขมีแต่ความหลงไหลมีแต่ความเพลิดเพลินพอไปเจอทุกก็ได้แต่โอดครวนนะนะได้แต่อดครวน Curiosity. เคยไปเยี่ยมคนไข่บางคน belle. นะไอตอนที่เขาอยู่ดีมีสุขก็เพลิดเพลินเพลินเต็มที่พอป่วยนอนกระแสวกระแซวบ่ผมไปทำบาปทำกรรมอะไรมาก็ได้แต่รำพึงรำพันโอดครวนไปทาอะไรได้ทุกวันนี้เขาเผาเรียบร้อยแล้วปันการ การที่สามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นเครื่องผูกที่แก้ได้ยากแก้แก้ได้ไม่ยากอะไรควรละอะไรไม่ควรละเป็นต้นถึงตอนนี้ยังละไม่ได้แต่ก็ตั้งอัธยาศัยเพื่อการละตั้งความปรารถนาเพื่อการละอย่างเช่นบอกว่าความอาลัยความอาวรณ์การมาสุขที่น่าเพลิดเพลินน่ายินดีเหล่านี้ถึงยังละไม่ได้เวลาทําบุญมีการให้ทานรักษาศีลจเจริญกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฟังธรรมเป็นต้น ก็ตั้งความปรารถนาว่าขอบุญเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อตัดตัดชันธราคะเหล่านี้เธอะเพทันสมัยก่อนเนี่ยเขาตั้งกันไว้เป็นกับกับเป็นแสนแสนกับนะมันจึงจะละได้ไม่ใช่ว่าตั้งปับ๊บละปุ๊บเลยนะโอ้โหมีบุญมากสายใช้เลกเกิดสมัยใช้รีโมทคอนโทรลมากเลยจะเอาแบบกดปุ่มแล้วก็ได้ผลทันทีไม่ได้หรอกมันต้องตั้งอัธยาศัายตั้งอุปนิศัยวิจัยหาข้อมูลให้เพียงพอว่า ถ้าละดีอย่างไรถ้าไม่ละมีทอดอย่างไรวิเคราะห์ทั้งสองส่วนเรียกว่ามองให้ออกตลอดสายถ้ามองไม่ออกตลอดสายเนี่ยนะถึงละละทําไมก็ละเพื่อจะได้กลับมาใหม่ยังไงหลายคนเนี่ยนะไอความที่ศึกษาเหตุผลมาไม่ดีวอกเบื่อเบื่อเบื่อเบืก็เลยไปอยู่หนีไปอยู่ห น, นีจากบ้านออกจากบ้านนี้ไปเลยเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึง่งไปอยู่ไปอยู่มา มาทบทวนหนึ่งสองสาสี่โอ้ยเรามีแต่ความผิดมีแต่ความเลวก็เลยกลับบ้านดีกว่าเพราะเรามากลับมาแก้ตัวใหม่ประมาณั้นแล้วก็มีที่เขาเล่าว่าแม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยนะโอ้ยโกรธมากไปอยู่วัดไปขอหลวงพ่ออยู่วัดก็ไปอยู่ที่วัดอ่าพ่อบอกอ่าไปอยู่นูน่นหลังนูน่นก็ไปอยู่สาวันผ่านไปก็กลับมาลาหลวงพ่อลาแล้วค่ะหลวงพ่อที่จริงอดีตชันเป็นคนผิดเองทั้งหมดเลยนะเขาไม่ผิดอะไรหรอกประมาณนั้นแล้วก็กลับไปอยู่บ้านตามเดิม คือท <mile> ี่กล er ่าวเนี่ยนะว่าถ้าคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรถึงจะออกก็ออกเพื่อกลับนั่นแหละถึงจะกลับก็กลับเพื่อออกก็ออกเข้าเขาเข้าเออกออกกันแะเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ทะเลาะกัอยู่แค่นี้แหละพันถ้าถ้าศึกษามีข้อมูลให้เพียงพอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมไอ้ที่สําคัญก็คือวิจัยให้เลือกเฟ้นให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพราะเราก็มีคําสอนกันอยู่แล้วคําสอนแนะนําว่าอย่างไรสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไร เราคิดตามคําสอนไหมเห็นด้วยตามคําสอนเป็นต้นไหมไม่ใช่ว่าฟังยังไม่ทันจบแล้วกระโดดพวดเลยนะก็เสียหายแหละบางอย่างบางคนก็เตรียมอยากจะบวชเต็มที่เลยนะก็บอกว่าโอ้จะใช้วิชาพระเจ้าตากสินคือทุบหม้อข้าวแล้วก็จะไปประมาณต้นหาว่าไปไม่รอดแล้วกลับมาประสานหม้อข้าวราบๆใบเก่าอีกมี่สิมันยุ่งมากมันก็ต้องศึกษาให้มันดีๆเนี่ยนายคนก็มาปรึกษาก็อยากจะทุบหม้อข้าวนละ บอคิดให้มันดีนะนะก็ลองเอาเก็บหม้อข้าวไว้ก่อนแล้วก็ลองไปที่อื่นดูก่อนแล้วกลับมาก็ยังเอามาหุงข้าวกินต่อไปได้เนี่ยนะเอามาเอาศึกษาให้มันดีๆก่อนเราก็จะทุบแต่หม้ทุบแต่หายทุบเต็มหม้ออีกสูตรหนึ่งนะพูดถึงสังกิเลตกับวะอ่ากับนิเพทะพูดถึงความเศร้ามองแล้วก็ตัดความเศร้ามองเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายบุคคลคิดนึกด้วยอกุศลเจตนาอันใดกระทําอกุศลเจตนาอันใดนะให้ถึงความเป็นกายกรรมวจีกรรมสรุปว่าทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมกิเลสอันมีกําลังใดให้นอนเนื่องอยู่ในสันดานคําว่ากิเลสอันมีกําลังใดให้นอนเนื่องอยู่ในสันดานอันนี้หมายถึงราคาที่นุสโยวะสันตานน เ, เข้าไป สันตาปณะอปะฮีเนนะภาเวนะอนุเสติคําว่ากิเลสใดที่ว่านอนเนื่องอยู่ในกําลังที่ว่าเป็นกิเลส ท, ที่มีกําลังนะอนุสัยไม่ได้แปลว่ากิเลส ท, ที่หลับพักผ่อนสบายไม่ใช่แต่หมายถึงท่านบอกว่ากิเลส ท, ที่ยังอยู่ในภาวะที่ยังละไม่ได้หมายคก็ว่ายังไม่ถูกละ น, นะความที่ยังไม่ถูกละนี่เรียกว่าอนุสัยหรืออตกะถาท่านบอกว่าเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มีกําลัง เป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังพะะนันความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้อบรมเจริญอริยมรรคพอที่จะเพิกถอนกิเลสออกไปได้สรุปว่าสิ่งนี้เป็นอารมณปัจจัยเพื่อความเป็นไปแห่งอภิสังขารวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความเป็นไปแห่งอภิสังขารวิญญาณจึงมี เมื่ออภิสังขารวิญญาณเป็นไปแล้วเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณโโะโสกาปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีด้วยประการชนิหมายคือว่าใช้ชีวิตทำชั่วด้วยกายทำชั่วด้วยวาจาแล้วก็คิดชั่วด้วยใจไม่เคยอบรมอริยมรรค ใหบรรลุมรคผลอะไรเลยสรุปว่าก็ยังเป็นปุตุชนที่ ท, ที่เป็นปุตตุชนคนคนที่อยู่กับเกลือกกล้วกับบาปและอกุศลกรรมทั้งหลายนะจิตใจก็เป็นกรรมวิญญาณกรรมวิญ ญ, ญาณ น, นั้นพอได้ปัจจัยอภิสังขารวิญญาณก็เป็นเหตุให้เกิดในพบใหม่ปฏิสนธิก็ยังลงเรียกว่าการยังลงสู่ปฏิสนธิก็มีขึ้น เมื่อมีพบใหม่ชาติชรามรณะโสกาะปริเทวะทุกโธมณตและอุปายาตก็มีขึ้นก็คือลักษณะของปุถุชนคนมืดคนบอดคนหนาคนที่ไม่มีอะไรเลยแปลว่าไม่รู้จักความดีความชั่วเกลือกกล้วอยู่ในบาปอากุศลไม่อบรมอาริยมักอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลไม่คิดนึกด้วยอกุศลเจตนาไม่กระทำกรรมด้วยอกุศลเจตนาทั้งกายกรรมมจีกรรมหมายค่าว่าใจก็ดีแปลง่ายๆว่ารักษาอยู่ในกุศลกรรมบทสิบเป็นอย่างดีแต่ยังมีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานหมายคาว่ายังไม่ได้อบรมให้เกิดอริยมรรคมีโสดาปติมรรคเลยเมื่อยังไม่อบรมจนบนรรลุอริยมรรคท่านบอกว่า ถาน้ํานมที่มันเต็มไปด้วยน้ํานมเนี่ยนะเราคิดว่าเถาอันเนี้ยน้ํานมมันยังไม่ไหลออกใช่ไหมใครก็เห็นว่าต้นเถาเอ่อต้นต้นน้ํานมไม่ต้นถาวน้ํานมเนี่ยหมายถาว่าถ้าถ้าไปขูดปั๊บเนี่ยน้ำยํำยางที่คล้ายๆกับสีน้ํานมจะไหลออกมาถ้ายังไม่ไปขูดอะไรมันจะไม่มีอะไรก็เป็นต้นไม้ที่ดูดีแต่ถ้าไปขูดเมื่อไหร่เนะ่ยยางที่เหมือนกับน้ํานมเนี่ยเอามือไปแปะปัปป๊บมันก็ไหลยืดฉันใด บุคคลบางคนทั่วๆไปนั้นยังทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแต่ยังไม่ได้เจริญอริยมรรคพอที่จะคั่วเยื่อใหญ่ในวัตตะบรรลุมรรคผลเป็นท่าเริยบบุคคลเพราะก็ถือว่ายังมีอนุสัยเพราะกุศลเหล่านี้อย่างน้อยก็เป็นอารมณานุสัยเพราะเป็นปัจจัยแก่อกุศลต่อไปนะน อันถึงตอนนี้เขาเป็นกุศลก็จริงอย่าคิดว่ากุศลเหล่านี้จะไม่เป็นปัจจัยแก่กุศลในที่สุดก็ไหลไปหาบาปอากุศลเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้อบรมอริยมรรคยังไม่บรรลุอริยมรรคมันก็ถือว่ายังมีอนุสัยสิ่งนี้เป็นอา ร, รมณะปัจจัยเพื่อความเป็นไปแห่งอภิสังขันวิญญาณ เมื่ออารัมมณปัจจัยมีความเป็นไปแห่งอภิสังขารวิญญาณจึงมีเมื่ออภิสังขารวิญญาณเป็นไปแล้วเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งพบใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกตรมนัตอุปาญาตต่อไปจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนีผันบุคคลสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่ง เต็มไปด้วยเกลือกกลวไปด้วยทูจริตสากายทุตจริตวจีทุจริญมโนทุจริตกลุ่มที่สองประพฤติสุจริตแต่ยังไม่ได้อบรมเจริญอริยมรรยังไม่ได้บรรลุมรรลบุคคลเหล่านี้จุดจบก็คือชาติชรามรณาโศกาปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตแต่ต่างว่ากลุ่มที่หนึ่งเป็นพวกพวกดากลุ่มที่สองก็พวกขาวนะแต่ว่าจะเกิดใน อบายทุกคติวินิบาตนรกจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามเหมือนกันตรงที่ว่าชาติชารามรณะเหมือนกันแต่ต่างกันว่าอีกคนหนึ่งเป็นสุขติอีกพวกหนึ่งเป็นทุกคติแต่ว่าจุดจบก็คือชาราและมรณะ